ทรากันเราก็มีการเวงานเราก็พูดเรื่องการงานของเราให้มันเป็นส่วนที่ให้การงานก้าวหน้าแลหลายอย่างุ้นแรงเข้าไปเวลานี้เรามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม เป็นเป็นจริงงานที่เป็นจริงงานสาเร็จเฉดชิ่นได้ไม่เหมือนงานอันเด่นงานอันเด่นไม่ค่อยจะสาเร็จเรื่เรากินข้าวก็กินข้าวอยู่ทุกวันเรื่องกินข้าวเรื่องกินอาหารก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องการใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับ หลายๆอย่างมันก็เสร็จไม่เป็นให้เราไหมการมีงานหาเงินหน่อยทองได้เงินได้ทองมามันก็ไม่เป็นจริงอาจจะเป็นของคนอื่นไปเปลี่ยนกันใช่ไปนี่ไล่มีนามีบ้านมีเรือนสิ่งต่างๆวัตวถุต่างๆมันก็ไม่เป็นของใครมาเป็นเปลี่ยนกันใช่ไป เราไมกายเราไม่จิต ม, มันก็ไม่เชื่อฟังใครมันก็ไหลไปเรื่องตามเรื่องของเขาเอาจริงเอาจังกับการเกินไปก็ไม่ได้เราจึงงานใช้ชีวิตใ้อะไรที่มันวิเศษที่มันเด่นที่มันโชว์พอที่เราจะยบปร่าให้ตัวเองได้ซึ่งเรามีสติเรามีความหลง เรามีสติเรามีความทุกข์เราก็มีสติมีความทุกข์เรื่องใดๆมีสติมเป็นงานอันนี้อาจจะเป็นงานชิดจุดท้ายเมื่อก่อนเคเจียตายได้งานอย่างเนี้ยเป็นงานชีวิตของเราจริงๆการส่วนกินข้าวการหลับการนอนอการหายใจการเคลื่อนไหว งานหลกภัยไม่ใช่งานชีวิตที่มันเป็นส่วนของเราอนั้นเราเป็นวิธีที่เราป้องกันแค้ปัญหาช้อนหน้างานร่อนก็อบน้มามันหนาวก็ถึงมันหนาวผมผมผ้านานเป็นงานแค่งานบรรเทาไม่ใช่งานแค่งานแค่จริงๆมันหลงเปลี่ยนเป็นลูกเป็นงานแค่ เปลีหลงเป็นลูกวปนทุกลูกเป็นงานแค่เป็นงานเปลี่ยนเป็งานพัฒนาเป็นงานมนุษย์อานอื่นเป็นงานของธรรมชาติของสัตว์โลกมนุษย์ยังก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งนอกจากสัตว์เดรัจฉานแต่ว่างานที่เป็นงานมนุษย์จริงๆเน่ยเปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนทุกเป็นลูกเป็นโกรธเป็นลูกจนความโกรธความทุกข์ ไม่มีจนนั้นหมดไปอ น, นิยกกวไว้วเถียงหน้ชื่นภบชื่นชาติเหนือ ก, ก่อนกระเจ็บเจบตายอันนี้เป็นงานที่ตัวที่โชว์กว่างานอื่นงานอื่นเนี่ยก็วางฉันมาตัวเต่าเป่าฉันก็ไปตัวเปล่าฉันไม่เอาอะไรไปเลยเอาเงินใส่มือให้ก็ไม่เอาบางทีเอาเงินใส่ปาก ไปเผาไปแล้วเขายังไปคุยไปเชียเอาคืนทั้งหมด น, นั้นเป็นงานที่ปรีไม่ค่อยจ ะ, ะเป็นส่วนของเราได้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่เจ่เนื้อหนังร่างกายเรานี่อาหารดีๆลองไปมันก็ยังต้องบูดต้องนอ่าต้องเจ็ ต, ต้องตายไปไม่มียิ่ง ส่วนที่ที่มันเป็นจริงที่เราจะพอที่จะพรมจอยคือเนี่ยคือสภาพที่หลงที่รู้เนี่ยสภาพที่ทุกข์ที่ไม่ทุกข์เนี่ยสภาพที่มันไล่เปลี่ยนเป็นดีเนี่ยันที่ไม่เกิดอยู่กับกายกับใจเราเนี่ยมันทำเสร็จได้เนี่มันเป็นงานมนุษย์จึงคุ้มค่ามันดื่นไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเท่าไหร่อาจจะเสียเวลาได้ แทนที่จะมาลู้เรื่องนี้กันบ้างก็หลงไปแต่พื่ต่พือไปแม้แต่ของที่มันไม่มีวัตถุสิ่งของเป็นรูปธรรมก็ยังหลงความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงความรักความชังยังเป็นใหญ่ในชีวิตเราบางทีตลอดพบตลอดชาติบังทัานี่มองเห็นอยู่ บางทีก็ยังวางไม่เป็นเช่นคนจะตายมันเจ็บข้งกระพานหายใจหายใจมาเป็นทุกหายใจไม่ได้ก็เป็นทุกคนจะตายมันเจ็บปวดเอาความปวดมาเป็นทุกเราจะย่องยอมแล้วนี่กันทำไมมันเป็นของอย่างนี้เกิดเจ็บเจ็บตายเป็นสมบัติของทุกอยู่แล้วเราไม่ทุก์ไม่ได้หรือ เราจะมาเริ่มต้นเรื่องนี้นะไอเห็นเห็นมันหลงเห็นมันลู้รอยไปก่อนลาดไปลาดไปลาดไปเหมือนทางขึ้นเขาเดี๋ยวก็ขึ้นบนหลังเขาได้ที่ว่ามนุษย์ผู้ใจสูงเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายได้ถ้าเราไม่รู้จักเริ่มต้นมันหลงเป็นรู้มันก็ไม่ไปถึงไหน อาจจะพวกควรไปเก่าทับถมเล้ามากกว่าเก่าก็ได้ใ้รถของโลกจนเป็นพาละหนักหนักหลายอย่างเรียกรวมรวมว่าขันทั้ห้าตาลาหาเวเป็นจักรันตาขันทันน้งห้าเป็นของหนักตาลาหาโลจะกปปุคโลผู้คนแหล่เป็นผู้แบกของหนักพาไปตั้งแต่เกิดจนตาย ต่างๆนี่มาได้อะไรถ้าให้เราทําผิดคิดผิดไปเป็นทุกข์เป็นปัญหาเสียเวลาพระริเจ้าวางของหนักกันนี้ลงแล้วว่าเรโยกอุปทางขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เราก็เห็นอยู่เราก็มีขันธ์เนี่ยมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณ มันเหมือนกับคนห้าคนแส่งขันกันทำงานขยันเจ้าสังขารก็ขยันเจ้าวิญญาณก็ขยันสัญญาก็ขยันเวทนาก็ขยันจ่แดงความเป็นใหญ่จนต้องเราลับใช้มันเวลาใดเวทนาเกิดขึ้นที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ต้องยอมสุขยอมทุกข์ไปกับเขา ราใดเป็นสัญญาเกิดขึ้นกิจุมไปย่อมเอาเอาความรักอกความชังมานอนเนืองในชีวิตใจของเราเะไาดมันปรงุงมันแต่งก็หมดเนื้อหมดตัวนอนก็นอนไม่ได้กินก็กินไม่ได้เพราะมันปรงุงอะไรที่มันปรงุงมันก็ไปหมดดึงก็ชากลากเราไปในรูปในรสในกลิ่นในเสียงแล้วมันมีวัดโถมีตามีหูเป็นคู่กัน วิญญาณก็พยายางติดเอาติดเอาไปจุ่มอะไรก็ติดอัไรนั้นไปจุ่มโทุกก็ติดทุกไปจุโมสุขก็ติดสุขไปจุ่มเบาดีใจชื่ใ จ, ใจติดปดถ้าลงพลังเหมือนดินพ่อขางหมูเรียกว่าวิญญาณมันเปืเ้อนๆก็ น, นึกว่าเราเป็นอุปทานเอา น่เป็นตัวเป็นตนความสุขก็เราความทุกข์ก็เราตอนทั้งที่เจ็บปวดอยู่ก็ยังนึกว่าเราเพราะเรามัมีสติเราไม่รู้วันนี้เราจึงมาเปิดออกไม่ไมาเห็นแครมีสติเข้าไปตัหลงเข้าไปย่อยเข้าไปอย่าให้มันเป็นร่นเป็อก้อนมันเป็นร่นเป็นก้อนมันก็จึงเป็นพบเป็นชาติ ถ้าเราเห็นมันมันก็ไม่เป็นรูปเป็นก่างเวลามันหลงเห็นมันรู้สึกตัวเวลาอะไรเกิดก็รู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ไปแต่รู้สึกตัวแล้วมันไม่ไปมันไม่เป็นใหญ่ได้มันโกรธรู้สึกตัวความโกรธไม่เป็นใหญ่มันหลงรู้สึกตัวความหลงไม่เป็นใหญ่ความทุกข์รู้สึกตัวความทุกข์ไม่เป็นใหญ่มันไปไม่ได้ ต้องเทศของจริงมีอย่างนี้เราจะปล่อยปป แ, แล้วเดยได้ยังไงเอาเรื่องนี้ก่อนชีวิตเราจะมียาวไกลขนาดไหนถ้ารู้จากหลักมันนี่แล้วก็คุ้มค่าไม่เชื่อชาดได้รู้จักเรื่องนี้ก็ต้องวิ่งกรามเขาไปเขาก็ลากเราไปถึงนสุนทุกข์จนถึงเกิดเจเจ็บตาย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 เป็นเจ้าของชีวิตเราแทนที่เราจะมีเจ้าของที่เป็นอิสระนี่แหละกรรมฐานเป็นอย่างนี้มาปวดปล่อยตัวเองมาเปิดเผยตัวเองทะลุทะลวงออกไปอยอยห้มากรบเกื่อนได้นมื่ม่มืดก็มีแสงสว่างเมื่อมีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์มีโกรธก็มีไม่โกรธมือเจ็มีเจ็บมีตายก็ต้องมีไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายอยู่ ตรง น, นี้ต้องมีสิทธิหน้าที่ที่เราจะต้องใช้สิทธิของเราเวลามันหลงไม่หลงเวลามันโกรธไม่โกรธเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์สธิของเราหัดใช้ถ้าเราไม่หัดใช้มันก็เป็นทำรรไม่ได้เหมือนประชาที่ประายถ้าใช่ผิดก็ผิดประชาที่ปไตยจริงๆมันไม่รู้เรื่องนี้อันนี้เป็นทำรร ม, มาที่ตาย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 ดีปัญญาไปในหมดทําไมไม่ใช่บางทีมันก็ปิดบังไม่รู้ทําให้มืดบอดความหลงก็ทําให้บอดไปเลยความโกรธทาให้บอดไปเลยลเจ็บเจ็บตายทําให้บอดไปเลยต้องยอมร้องไห้เสียใจเป็นทุกข์คนที่อยู่เบื้องหลังก็คอยเป็นทุกข์ไปด้วยเราจึงถือว่า งานขอเราที่เรามาศึกษาเรื่อนี่ยไม่ใช่เรื่องงานของขายงานชีวิตของเราแท้ๆถ้าเรามีหลักธรรมก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่จะเห็นแจ้งตามความจริงได้ประโยชน์ได้ปัญญาถ้าเราไม่เห็นแจ้งก็มีทุทกข์แต่โทษตัวใครตัวมันทำให้พอดีศึกษาแบบพอดีพอดีพอเพียง ไม่ทุก์ไม่จนอย่าไปทุ่มเทอย่าไปรีดตัวเองเจะเกินไปมันจะได้อยู่มันจะสําเร็จอยู่ไม่ต้องไปรีดหลายแรงเช่นเราไปขุดดินเขาให้หลมละแปดสิบบาทต้องเม็ดหนึ่งยาวเม็ดหนึ่งลึกเม็ดหนึ่งขุดขึ้นมาให้เป็นหลุมแปดสิบบาทคนหนึ่งก็ไปขุด ขุดดินเฉยๆไม่คิดอยากได้เงินคนหนึ่งขุดเพื่ออยากจะได้เงินมันหมดแรงสองแรงขุดไปล่องเพ่งายสบายใจไปอาบดินไปโยกดินไปก็ดินนั่นเจ็ดก็มีชิทธิได้เงินแต่ถ้าคนหนึ่งขดุดต้องหิวต้องอยากต้องเรีบต้องร้อน ต, อต้องทุ่มเทอาจจะทุกข์ในวลาทํางานนาน ถ้าดินมันจดก็ได้เงินเท่ากันมันเป็นกรรมต่างกันตามความเพียนก็เหมือนกันตางคนามเอาความอยากให้ความอยากพาธรรมให้ความขยันพาธรรมให้ความขี้เกียจมาหยุดให้ความเบ่อหน่ายพาหยุดบางทีก็เบื่อหน่ายเอาการกระทาเบ่อหน่ายต่อค้ามสองสอนบางทีก็ขยันจนไม่รู้จากหลับจากนอน มันไม่แค่นักทํางานนักทํางานจริงๆเนะี่ยมันต้องสนุกไปกับการงานทำอะไรก็ไม่เป็นทุกข์หรือว่าการกระทําเป็นอาชีพไปเลยถ้าเป็นชาวนาก็ชาวนาอาชีพถ้าเป็นชาวไร่ก็ชาวไร่อาชีพเป็นชีวิตไปเลยมั่นใจอ่ะ ทุกวันน้ชาวนาก็ไม่ชาวนาอาชีพชาวนาสมัครเล่นฝนตกตั้งแต่ต้นปีน้าเต็มทุ่งเต็มท่าไม่ดูจะปิดคันนาคันนาก็เล็กเด็กน้อยไต่ก็ไม่ได้ให้เหมือนเราเป็นชาวนาสมัยก่อนแ้่น้มเต็มทุ่งเราก็ไม่หวังไม่ต้องกําว้เร่งไม่มีเระเพียงคันนาปิดน้าไว้ เราเฉลี่ยน้ำของเราที่ไหลไปตรงไหนก็ได้รู้จักจ ก, กัดด้ามเสนาตัวเองพวบอยู่ที่ไหนให้ไหลไปที่อื่นแห้งอยู่ที่ไหนให้มันไหลไปสู่พัดได้เจ้าของนาพ่อนาอาชีพเจวนี้โอ้ยไม่ใช่ชาวนาอาชีพสมัครเล่นชาวนา ในข้าวสองรอปิ๊บหมดเงินไปสาม0 0ื่นบาทคุยอวดมีครูคนต่างในข้าวสองรอปิ๊บหมดเงินค่าแรงไปสาม0 0ื่นบาทมันสมัครเล่นน้ำเต็มท่งปล่อยให้น้ำแห้งหมดกันนามไม่ขวดไม่ปั้นให้เหมือนคนโบราณสอนกันติดน้ำนาฝนตก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 เวลาฝนตกค้าบางคืนมันจะได้กักขังเอาไว้แต่ความรับผ right ิปิดก็แห้งอยู่ตลอดเวลาตอนที่ปิดไว้มันก็มีน้ำบานกล้าได้นี่เขาจัน์เาชาณาอาชีพการใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันให้เป็นนักปฏิบัติอาชีพทักงหน่อยอย่าสมัครเล่นขยันแล้วจึงทาชี้เกียร์แล้วหยุดเอาความยากเอาความเบื่อ พาทำพอไม่ทำไม่ใช่แม่แต่เราทำเวลาหยุดก็ไม่ใช่เบื่อหยุดเพื่อสู้ไม่ใช่หยุดเพื่อเบื่อใดเวลาเรานั่งหรือเดินย ก, กมนอนนๆนมันก็หมดแรงเหมือนกันแต่นอนลองหายใจเข้าหายใจออกใจมันยังสู้ยังขยันกว่เวลาเดินด้วยซ้ำไปเวลานอน เพื่อจะลุกขึ้นมาทํางานต่อเช่นเราปั้นคันนามันก็เหนื่อยหมดแรงยืนอยู่ตั้งสองสาชัออ่วโมงมันก็เหนื่อยเหนื่อยก็วางร่ามจอบลองนอนบนคันนาเพืเพื่อจะปั้นนาปั้นคันนาพักผ่อนเพื่อทํางานมาแช่ผ่อนเพื่อขี้เกียจมันก็ต่างกันอะไรก็ทําได้มันก็ลูกอยู่ ลำดับลำนาอยู่งานแบบนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิการงานชอบเปลี่ยนชอบตั้งใจไว้ชอบตั้งสติไว้ชอบผู้ชอบคิดชอ บ, ชชอบมันก็เป็นตรงมักไม่เบื่อหน่อยว่าทำใจให้เป็นวางตัวให้เป็นในการทำงานเดินจงกรมอย่าไปเพ่งอย่าไปจี้ จ, าจ้างจังหวะก็อย่าไปเพ่งเกินไปก้มเกินไป เหนยเกินไปวางตัวให้ดีๆอ้านั่งอยู่ก็ให้มันได้ฉากแสงตามันจะอยู่ได้นานถ้านั่งอยู่ก้มเกินไปมันก็ไม่ได้ฉากบางทีก็ง่วงได้เครียดได้อ้าเหนยเกินไปมันก็พุ่งซ้อนมามีหลักอยู่เราต้องวางตาพอดีเช่นเราโดนอาดน่าหนังสือหงายหน้าขึ้นเพ่งขึ้นข้างบนอาน่านหนังสือไม่ได้นาน วางลงให้มันได้ฉากต้องมาได้ฉากแล้วมันจะอยู่ได้นานความเพียนก็เหมือนกับฐานตั้งไวด้ดีมันจะอยู่ได้นานเดินจงกรมก็อยู่ได้นานนั่งสร้างจังหวะก็อยู่ได้นานตั้งสติก็อยไ ด, ได้นานมันมีที่ถูกอยู่ผมชอบไม่อยู่ผมไม่ชอบไม่อยู่ไม่แต่เราเดินทางบางก็ก็ เอาความเดินทางเป็นเรื่องยากบางคนก็เดินทางด้วยความสนุกสนานแล้มันผ่านไปทุกข้าวบางคนเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึงจะไหวไหมจะไหวไหมเอาความไหวเอาความไม่ไหวของขันเอาความได้เอาความไม่ได้ของขันไม่ใช่นักทำงานต่อรองอย่างนั้นไม่ได้บางทีสามเดือนเอาจริงๆละ ถ้าไม่รู้ทบก็จะศึกดขาลาเทศนี่เหมือนกันถ้ามาอยู่ที่นี่มาสัญญากับเราผมจะตั้งใจปฏิบัติสามเดือนนี่เอาให้เต็มที่ถ้าไม่รู้ทมก็แสดงว่าไม่บริูรว่าฉนาะต้องจะได้ศึกไปแล้วก็ขอก็ศึกจริงจริงอันนั้นไปทอลองแบบนั้นมาได้เราต้องทำไปมกักเป็นองค์ภาทำงาน เอี่ยนชอบการงานชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบหลายหลายส่วนการทํางานอยู่ก็ตั้งใจชอบอยู่เรื่อยตั้งสติไว้ชอบเรื่อยเอาชิดชอบอยู่เรื่อยตามส น, นุนในการทํางานนาี่บางทีมันการงานช่วโงหนึ่งอาจจะต่างกันวันหนึ่งอาจจะต่างกันไปถ้าคนทํางานไม่เป็น อาการงานเป็นเรื่องเข็ดลาบปฏิบัติธรรมก็เ ข, ข็ดลาบลว่าพูดถึงการปฏิบัติหลายยอมแพ้ถ้าเราทํำถูกเท่าการปฏิบัติเราเมตต์ตื่นรล้นเวลาใดเราใดรั้งสร้างจัง ว, วะอยู่กติของตนของตนมันสุดหัวใจเวลาใดเราใดเดินจะกมอยู่เช่นทางตนจงกลง ม, มันก็สุดหัวใจสง่า ง, งามอยากเดินจงกรมให้แม่เห็นอยากเดินจงกลมให้พ่อเห็น ถ้าชีิแบบนี้น่ะยิ่งเป็นนักปวดหมชจีวรหมพ่าขาวมันก็เป็นสิ่งเวทล้อมที่ดีเช้นนกังเกงใส่เสื้อไปนอนอยู่ในป่าในกฏมันก็ว่าเวอาจจะมีภัยได้ถ้าหงมชจีวรไปนอนในกฎมีบาดตั้งอยู่บนหวัว มันอุ่นใจไม่รั่วเป็นยังไงแล้วก็คนก็ไม่มองคนก็ไม่ได้มองว่าจะเป็นพิบพินภัยต่อใครไม่มีอะไรมันก็เป็นสิงเวทล้องที่ดีช่วยเราได้สะดวกไม่ต้องไประแวงอะไรคนอื่นก็ไม่ระแวงเราในเมืองไทยเรามีนักบวชแบบนี้ถ้าใครเห็นนักบวชเขาก็มีศรัทธาแล้วจุกมือไหว โอกาสสะดวกกว่าเป็นคารวะจังถือโอกาสบวช่เป็นอุบายช่วยเช่นพระิรีธาเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องอุบายถ้าใส่ชุดอะไรปว่อยอยู่ในบ้านในโรงมันก็แปกยังอทิ้งไปห้องหอมผ้า ฝ, ฝ, ฝ, ฝ, ฝ, ฝ, ฝ, ฝ, ฝาดผาดสีฝาดก็สะดวกอยู่กับเพ่งกับกลวงก็ได้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 มันก็เบือนบ้านหลังหนึ่งที่โปนแถวว่านกันอยู่ก็เป็นตึกคอนโดก็อยู่ห้องหนึ่งข้างห้องเราไปก็เป็นของชาวบ้านเดินเข้าแล้วนออกผ่านใครผ่านมาเพียงแต่สมมุติว่าเป็นวัดมันไม่เป็นรูปแบบเหมือนประเทศไทยเราจริงจรงงนโชคดีที่เราเป็นคนไทยมีศาสตาแบบคนไทยมีวัฒนธรรมแบบคนไทย ในวัดวาแบบคนไทยมีรูปแบบแบบพระในเมืองไทยนับ ว, ว่าโอกาสที่หาได้ยากน้อมีคนไทยที่เป็นญาติเป็นโยมองค์ปรรถมตั้งแต่พระราชาลงมาถึงถึ ง, ถงผู้ตุชนสรุตุชนประชาชนทั่วไปนี่เรียก ว, ว่าสะดวกมาก ถ้าจาพลาดโอกาสนี้แล้วจะไปอยู่ประเทศใดโลกไหนถ้าคนไทยไม่ได้บรรลุธรรมแล้วไม่มีคนชาติใดบรรลุธรรมแล้วบรรลุธรรมก็มเหมือนคนไทยการตั้งสมนักงานพุทธศาสนาแห่งโลกแข่งขันกันที่ประเทศกู่แข่งญี่ปุ่นว่าง มีหลายประเทศแข่งกันเพื่อจะเป็นสำนัก ง, งานกลางของพุทธศาสนาทั่วโลกเราก็อ้างอะไรหลายอย่างเอกสานที่ก็อ้างเงินก็อ้างกรรมการก็อ้างใตเมืองไทยก็อ้างแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือพระราชามาประดเป็นสาธปรณปมพกทุกองมาล้วก็ยอมน้องในกันส่วนประเทศอื่นไม่มีพระราชาเป็น องุอุประมเราจึงโชคดีเป็นคนไทยในศาสนาแบบไทยประเพณีแบบคนไทยปฏิบัติธรรมแบบไทยไทยแม้แต่ประเทศจีนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มานั่งอย่างเราไม่เป็นเราจะมาเช็ชีวิตแบบนี้ไม่เป็นไม่มีประเทศไหนนั่งพระเพียบเหมือนเราเนี่ย นั่งขัดสมาธิคนนั่งไม่เป็นด้วยช้ำปไปต่างประเทศหอนงต่เคยไปสอนพลหลังอยู่บัดตั้งบอกเขานั่งขัดสมาธิก็มายืนถามเรามาชี้หน้าเราเราก็นั่งอยู่ก็มาเยืนถามนะว่าคนลู่อะไรก็มาสอนนี่เรื่องอะไรเขาก็บอกว่าให้นั่งลง มันนั่งก็นั่งไม่เป็นนะโคชมาดไม่เป็นมันเราก็บังคับให้นั่งนั่งเหมือนเราเนี่ยก็นั่งลงแต่มันขัดจังหวไม่เป็นก็เลยพอ เ, เขานั่งเราก็บอกเขาว่าเรารู้ตัวเองคุณรู้ตัวเองกอ็งรู้ยังไงเราก็บอกเขายกมือสร้างยังไงวะเพราะฉะนั้นไม่มีชาติใดนั่งเหมือนคนไทยพระเพียบเท พ, พนม ปัศมาสองชั้นสวยงามยิ่งมานั่งคัศมะนั่งสมาที่ยิ่งดูดีไม่เหมือนนั่งเก้าอี้นะนั่งเก้าอี้เนี่ยก็ไม่เข้ากลมกึนเท่าไหร่อริบทของพระเจ้าในพุทธโลกต้องหลายให้ปางไม่มีปางไหนนั่งเก้าอี้เลยก็มีจะนั่งคัดสมาะหรือยืนวางมือต่างกัน ถ้านี่เรียว่าปา ง, างมานวิชัยตอนนี้ในวัดปรางตัดจัลตามปรางต่างๆที่ท่านั่งของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็มืออยู่อย่างนี้ามานวิชัยยกมือมานี้อาจจะอะไรขึ้นมาคิดปัวคิดจิเด็ดมันครอบงำมากยกมือออกมาพอยกมัว อ, ออกมาเนี่ยมานก็พ่ายแพ้อารู้สึกตัว ยกเมือเข้ายกมือมีงามสวยงามเดียนี้ไม่มีนะในอินเดียนะไม่มีแล้วอ น, นั่งที่จะให้เหมือนพระพุเจ้าศาสนาพุทธสาบสนมาจากอินเดียมาก็มาอยู่บางไทยแล้วก็ต่อมาพระเจ้าโศกมาลาดมาพื้นโูขึ้นมาหลายร้อยปีจึงมาพื้นโูใหม่ สมัยังกษีษของประเทศอินเดียเนาะค้นพบหลักฐานของพุทธศาสนาหลายแหง่งเลยพื้นขึ้นมาอายุพยาคพระเจ้าโศวาราชสั่งทรมทตออกไปห้าสายมาสู่วางไทยล้วเนี่ยเราก็ได้พุทธศาสนาตอนนั้นเรามาเถึงมังไทยมึงเข้ากันได้กลมเกลงกันเลยเราจึงมีดีมาตลอด เราจะให้ภาคในช่วงชีวิตเรามีอยู่เนี่ยศึกษาลรงนี้กันจริงๆเถอตั้งแ ม, มีคนศึกษาลรงนี้มันก็หมดแล้วดีใจที่เห็นพวกเรามาอยู่ร่วมกันกลัวอย่างเดียวคือกลัวคนจะไม่อยู่ในวัดมีคนขวยเรงนี้อยากให้มาอยู่สุขด้วยกันทุกตัวกันนะปฏิบัติด้วยกันแบบนี้ นะอันนี้คืองานของเราเป็นงานที่มันมีศักดิ์ศรีเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เนี่ยเปลี่ยนโกรธเป็นความรู้เนี่ยนี่ศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่าให้หลงอย่าให้โกรเป็นใหญ่เรามีสิทธิได้แค่สิทธิของเราส่วนนี้ให้มากมันก็จบเป็นมันก็จบเป็น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 ตำน้ำเนาความหลงถ้ามันโกรธยิ่งดีจะได้สมน้ำเน่าความโกรธเหมือนโยงกัดเราไลายย่โยงออกงาปักไปโน่นมันก็ชนะมันก็วิเศษแล้วนี่ยกันเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธ ม, มันวิเศษ จ, จริงๆนะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาติไดตรงนี้เปลี่ยนนิจเยก็เปลี่ยนได้ตรงนี้ แล้วมันอยู่ที่ไหนเรื่องนี้มันกอยู่กับเราเนื่อยไม่ต้องไปเปิดที่ไหนศึกษาแบบดึกซึ่งไม่ใช่ลึกหลับลึกดบมันต้องหาคิดใช่เหตุใช่ผลอะไรมาใช้เลยมันจะเอกันแล้วความหลงกับความโลภความทุกข์กับความโลภมันจะเอกันมันจะมาทางไหนดันที่ว่าหลงก็คือหลงนั่นแหละหล ง, งต่างตาคือหลงหลงทางหูคือหลง หลงทางจะหมกดิ้นกายใจคือหลงวันทุกข์ก็ทุกข์ที่กายที่ใจนี่เป็นทุกข์เพเหตุปัจจัยต่างๆมีเหตุมีปัจจัยอยู่ไม่ใช่เป็นรูปองค์เราก็รู้นี่หล่กอริสัตยสี่ 4. ไม่มากมีกันทุกก่อนมีสูตรกันทุกคนเราก็ต้องไม่พลาดได้ ไม่สงสัยชัดเจนแม่นยำเป็นการลึกซึ่งเห็นทันทีอานลึกลับมันมองไม่เห็นเป็นปัจจัตตังไม่ได้การลึกซึ่งเป็นปัจจัตตังอันลึกลับไม่เป็นปัจจัตตังเป็นอดีตเป็นอนาคตไคิดเห็นคิดเห็นกับพวกเห็นมันต่างกันนี่คือสัจจะความเป็นจริง นม่มันหลงก็จริงมันหลงจริงจริงไม่หลงก็ไม่หลงจริงจริมันทุกข์ก็ทุกข์จริงจริแต่ไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์จริงจริงมันแช่แกันได้ความเที่ยงก็มีอยู่จริงแต่มันจริงแบบความไม่เที่ยงมันไม่จริงแบบความเที่ยงนี่มันมีอยู่เนี่ยเรียกว่าอาริสตสีไม่ต้องไปถามใคร เราจึงเห็นอะไรไปแค่ตรงไหนไม่ตรงตามแค่มีจุดเดียวเวลาเราลู่อยู่ก็มีจุดเดียวที่นี่แต่มันจะแค่เองไม่เหมือนกับโลกภายนอกโลกร่างกายปวดหัวก็จีนยาแก้ปวดพลาเซตามอนเป็นไข้เป็นแพ้ก็จีนยาแก้แพ้ไป แต่ว่าอันโลกที่มันเกิดจากใจอันเดียวอันเดียวก็คืออันเดียวน่ะทุกก็ไม่มีพันใหม่หลงก็ไม่มีพันใหม่โกรธก็ไม่ใช่พันใหม่คือโกรธเดียวไม่ใช่พันใหม่สายห้าศูย์ศูนย์เก้าที่เขาว่ากันอยู่เนี่อันนี้มันอันเดียวองค์โกรธก้อนเดียวอุศนก่อนเดียวอุศนก้อนเดียว รากเงาขอกุศลอันเดียวลากเงาของกุศลก็อันเดียวราเงาขอกุศลคืออะไรมันมีรากแบบเงารู้จักไหมไม่คิดน้อยรากเงาขอกุศลคืออะไรรากเงาของกุศลคืออะไรมันไม่เกิดพันใหม่อันเดียวคืออะไรผู้เจ้าสอนว่าโลภะโทสะโมหะเป็นรากเงาของอกุศล โทสะโลภะโมหะอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เราเนไงคุณละเกล้าของกุศลก็คืออะโทสะโมหะอโลภะมันก็อยู่ที่เนี่เกิดที่เดียวกันดัแบบที่เดียวกันอะโมหะคือไม่หลงอะโทสะคือไม่โกรธเราคือโลภโกรธหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นแบ่งกันตรงนี้เส้นแบ่งกัน สายปันกันตรงไห้เหมือนสันแบ่งเขตสันแบ่งเขตน้ํามัสปาสุกุโตก็มีสันแบ่งเขตน้ําที่ป้ายจุธาลัดอันสัญแบ่งเขตน้ําตอนแต่ันตกก็ไหลจากตรงนี้ไปแต่ันอกก็ไหลจากตรงนี้มาสันแบ่งปันเขตน้ําก็น้ําที่รางที่ฝนตก มันก็ไ่ไหลเข้าสะตรงไหทุรงหนาเขามันก็ไหลออกสะไปถ้าสันแบ่งเขตน้าทางนี่ก็ไหลซึมลงไปในสะในบ่อของเราอันฉันปันเขตอันกุศลอกุศลคือหลงโกรธโลภถ้าหลงก็โกรธได้ถ้าหลงก็โลภได้ถ้ารูก้ก็โกรธไม่ได้ถ้ารู้ ก, ก็กทุกข์ไม่ได้ มันแบ่งกันตรงไหนมันยากไหมเนี่ยมันไม่มีพัดไหนมีเท่านี้ใครโกก็บังกันหมดโดงควมทุกข์ก็เหมือนกันหมดใครหลงก็เหมือนกันหมดแล้วจึงมีอันเดียวนี่มีสติเนี่ยเข้าไปเนจึงเมื่อปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่มีทําไมได้เรืงเนี่ยเรามันหลงเราลู่ได้ไหมไปขอยืมใครมา ถ้ารอวัคซีนอยากใครมาแช่ความหลงมันก็อยู่กับเราเนี่ยเวลามันหลงก็ลูกขึ้นมาให้เป็นโล ก, กันข้ามให้เป็นแบ่งให้เป็นถ้าไม่แบ่งตรงนี้มันก็ไปไม่ถึงไห น, นก็อยู่ด้วยกันมาตลอดถ้าล ะ, ะแบ่งก็ไปคนละทิศทางน้ำไหลจากสุกโตทางทิศตะวตกก็ลงลำมาทางตงโน้นถ้าน้ำสุโกโตไหลามาจากสวนสุทารักษ์ก็มา ลงทางนี้ตองลงบะเทาเหมือนกันแต่ลงบะเทาวตอนบนตอนหนังลงลงบะเทาตอนล่างก็มังโกดก็หลงไปตําล่างไาต่ําลงไปเป็นเป็ดเป็นชุรกาลก็ไม้โกดก็ไหลขึ้นทางเหนือไปเป็นพระสงองเจ้าเป็นมัพผลนิพานไปมันแยกตรงนี้เท่านั้นเองให้ทุกคนทํานาที่อันนี้ แยกให้เป็นเปลี่ยนให้เป็นเปลี่ยนลร้เป็นดีเปลี่ยนหลงเป็นรูนี่แหละเรียกว่าเ ป, เปลี่ยนไร้เป็นรีเป็นหลงเป็นรูนี่แหละเรียกว่าภาวนานี่เรียกว่าวัตถนาภาวนานี่จะพาไปหายนะคือหลงเป็นหลงเรียกว่าหายณนะก็ น, นําไปนี่จึงปฏิบัติได้ให้ผลได้ตัวที่จะพมจอยชีวิตของเรามันทําได้อย่างนี้คระ อาให้มันแหลกกันเลยฮะเหมือนเราจะทําไรเอาให้มันแหลกกันเลยจึงจะเหมาะสมการปลูกอเปลี่ยนโคลงเป็นลูกปลูกแล้วปลูกบักปลูกผลแล้วเปลี่ยนลงเป็นลูกปลูกไปแล้วโพทิ้ก็ขึ้นมาแล้วถ้าหลงเป็นหลงลุกลงหลังถ้าลงเป็นลู่หลกโลงแล้วมองควมหลงเป็นความรู้ไป เหมือนคนมีความเพียรมองป่าเป็นทุง่งไปตระลานท่านว่าขยันแล้วเห็นดงก็เป็นทุ่งถ้าขยันแล้วเห็นดงก็เป็นทุง่งขี่ขั้นแล้วกลางบ้านก็ว่าดงภระชายาฉานนะใช่ไหมใจประสงสร้างกางดงก็ว่าคงเจ้ประสงจะสร้างกลางดงก็เป็นทุง่ง ถ้าขี่ข้านแล้วกลางบ้านก็ว่าเป็นป่าเป็นหลงโบราณนั่นว่าเจ็บสงค์แล้วเมืองแก้วสิดันหอดเจ็บสงค์หอดแก้วในธรรมเจคนหาหกก็จีหมดท้ามสนก็จีพาป๋าขีอ่อนจันนาชิาทาฟังรู้เรื่องไหมเจ็บสงค์แล้วเมื่อแก้วสิเด่นหอดไก่เท่าไรก็ไปถึง ใจประสงย่เจวในถ้ำจากคนหายอดเจวคืออะไรคือมรรคผลนิพพานอยู่ในถ้ำจะขุดหาทุกไปชีมหมุนลุกลงลังก็จะมุ่นเข้าไปหนามสนจะมีขนาดไหนก็จะผ่าเข้าไปความยากเป็นความไม่ควมโกรธเป็นควมไม่โกรธผ่าไปผมทุกข์เป็นควทุกข์ผ่าหําสนสนไหมความทุกข์อนะขี้เหร่ต้นหนามหนาสนไปไม่ได้ เหมือนสินใจตามหาส ม, มุนธาช่างซ่อนงาป่าซ่อนเงี่ยงน้ำกัดเหล็กกัดทองสินใจก็ยังตามออกทรงทาขึ้นมาได้ช่างซ้อนงางาช่างเลยนะจะไปได้หรือปลาซ้อนเงี่ยงมันเป็นซ้อนซ้อนเมื่ อ, มอไม่มีทางไปน้ำกัดเหล็กกัดทองยื่นหนาลงไปน้ำกัดเหล็กเลย แต่ข้ามได้เลยตแตงเตะดาบของสินทใสก็น้ํากัดไปแล้วสินใสก็ยังตามเอาอามา บ, บากกมรรม อ, า, เ อ, า, อ า, าขึ้นมาได้สู้บนทาถูกยักกลุมพันทำงวยไปจนตามเบาอาขึ้นมาได้น่าสินใสสู้ไม่ได้ก็ล่องหาสีโหูพิ่ชายนายช่วยด้วยถ้าชีโหมมาช่วยไม่ได้ล่องเอาสังถองมาช่วย ถามคนช่วยกันไปพากันไปถึงสุวรรณธาอยู่ในถ้ำกลุมผันลักพาไปตามไปถึงสุวรรณธาแล้วสุวรรณทาก็ยังไม่อยากมาเพราะติดกับยักษ์จนเมียของยักษ์กันแล้วสังทงที่โหเส้นใจบังครับจะไปหรือไม่ไปจะกลับหรือไม่กลับแต่ถ้าไม่กลับจะตัดคอทิ้งเลยตัยวนี้ <laughs> สุวรรณทาก็ยอมคกลับก็กลับ แล้วกลับมาแล้วเฮ้ขอลาพี่กรมพันธ์หะ่อนะให้ไปลาก่อนไฟแล้วก็ต้องสังทองเชกตามไปอีกอัดฉากหลายเรื่องฉันทด่ถุดเอาสูมืองหน้าคือใครสังจินชัยคือใครสังทองคือใครสีหูคือใครอันนี้เป็นตังชาดุกเป็นนิทานธรรม สิ้นใจคือสิ้นสีนหูคือสมาธิสังทังคือปัญญาศิ้นสมาธิปัญญาไม่มีอะไรสู้เลยนะใช่ไหมมีไหมในเราเนี่ยเราวักหน่อยอ่าอ่ามันอ่อนแรงกกไปหนักแน่นมาในใจโู้มันอ่อนแรงหนักแน่นเลยเวลามันโกรธจะพูดหนักไปก่อนน่ะมันสอนว่ายักษ์คือใครกิเลสตัญหา มันพอใจมันติดได้อย่าโกรธต่อเพื่อนเลยไม่โกรธไม่ได้สินเถะ อ, อย่าโกรธต่อเพื่อนลำล้ำลมกายวาจาใจให้ดีไม่โกรธไม่ได้สุงมันธาไม่อยากกลับมาคนมีความโกรธแกอ้วก็จะมความโกรธได้ก็มีทุกข์ไม่ออกจากความทุกข์ได้ต้องช่วยเอาสินเอาสมาธิปัญญาสุมนธาสุคืออะไรคือจิตบริสุทธิ์ มนธาคืออะไรมนทินจิตของเราเนี่ยมันมั น, มนพาเขาบริสุทธิ์จุแต่มนทินมาเพื่อเพื่อนยิเลตนามาเพื่อเพื่อน อ, อันมนทินไม่ใช่จิตล่างออกไปศีล ส, สมาธิปัญญาล่างออกไปก็เลยได้จิตบริสุทธิ์สู่่วงเข้าโส่พระนคอครได้คือมรรคนิพพาน